<c oughs> นั่นแหละพระธรรมว่าไงก็ว่าไปตามนั้นก่อน เ, อเมื่อวานได้สนทนากับผู้การว่าสัตินรีนี้พึงเห็นได้ที่ไหนที่ที่ไหนสัตินรีนี้เพึงเห็นที่โสตาปฏิยังข้าทราวิริยินรีเพึงเห็นที่สัมมประธานสีสเตนสีเพึงเห็นที่สติประธานสีสมาธินรีเพึงเห็นที่ฌานสีปัญญินรีเพึงเห็นที่ อริยสัตว์สี่พันธุผู้ที่เป็นพระโสดาบันก็คือมากไปด้วยสัตทินรี่นะมากไปด้วยศรัทธ า, าพระโสดาบันที่มากไปด้วยศรัทธาศรัทธาของพระโสดาบันมีองค์สเรียกว่าโสตาปฏิยังฆธรรมโสดาปฏิยังฆธรรมนั้นข้อแรกว่าไง 1. ครบสัตบุรุษนะเราก็มาไล่ของเราเองว่าเออเราได้คบสัตบุรุษคําว่าสัตบุรุษในที่นี้ก็คือหมายถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั่นเอง เราได้คบกับพระพุทธเจ้าอย่างไรบ้างเขาบอกว่าการครบพระพุทธเจ้าก็ทาไม่ได้อัธยาศัยของท่านมาเลยเนี่ยเรแสดงว่ามันก็เกินไปแล้วเนาะมันก็ได้อุปนิสัยของพระพุทธเจ้ามาบ้างล่ะเออพระพุทธเจ้าท่านมีอัธยาศัยอย่างไรเสร็จแล้วเมื่อเข้าไปหาท่านเพื่อ น, นั่งใกล้เพื่อที่จะฟังฟังสัตจธรรมของท่านนะ ข, ข้อแรกสัปปุริสูสังเสวะนะการคบสัจบุรุษข้อสองฟังธรรมของท่าน ก็คือฟังธรรมของพระพุทธเจ้าทีนี้ธรรมะของท่านว่าไงในเรื่องราวเหล่านี้เราไม่ว่าเองสักอย่างเลยคําสอนว่าไว้อย่างไรถ้าเราครบท่านบริบูรณ์จริงๆเราได้ฟังมาอย่างบริบูรณ์ถ้าเราครบท่านขยักขย่อนเราก็ฟังมาแบบหัวหั ว, ห ว, หวท้ายๆนะหามหัวหามท้ายนั้นเราก็มาตรึกตามท่านอันนั้นเรียกว่าโยนิโสมนสิการะ เมื่อมีโยนิโส ต, ตรึกตามแล้วว่าอะไรเป็นกุศลชั้นศีลชั้ น, นสมถะชั้นวิปัสนาศีลสมาธิวิปั ส, สน า, สนส า, สสนาจะเป็นไปได้อย่างไรเราจะพ่อพูนปฏิบัติได้อย่างไรอันนั้นเรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิปติสามารถที่จะบัดปฏิบัติสมควรแก่ทาปฏิบัติธรรมนี้ก็คือการเจริญกุศลที่เป็นไปกับศีลสมาธิและปัญญาเพื่อเพื่ออะไรเพื่อโลกุตระธรรม กุศลธรรมที่เป็นไปกับศีลสมาธิปัญญาเหล่านี้เรียกว่าการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเหล่านี้เหมาะสมแก่โลกุตระธรรมไหมถ้าโลกุตระธรรมเนี่ยเกิดขึ้นโลกุตระธรรมเป็นอย่างไรอันสุตะต้องขัน้นต้นเนี่ยต้องฟังมาให้ดีอันสุตะมยะยานที่พระสารีบุตรเถระท่านแนะนําไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมพิธามักว่าโสตาวทานีสุตตมยะยานังปัญญาที่ทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแลว้วชื่อว่าสุตตมยะยานเป็นอย่างไร ปัญญาที่ทรงจําธรรมที่ได้ฟังมาแล้วว่าธรรมะเหล่านี้ควรรู้ยิ่งนะเรียกว่าอภินัยยธรรมธรรมะเหล่านี้ควรกําหนดรู้ธรรมะเหล่านี้ควรละธรรมะเหล่านี้ควรทําให้แจ้งธรรมะเหล่านี้ควรเจริญนะสัพเพสังขารานิจารสังขารไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งปวงเป็นทุกสัพเพธรรมานาตตาทำทั้งปวงเป็นอนาตานะ หาภ า, าคียธรรมะที่เป็นไปเพื่อความเสือ่อมทิติภาคียธรรมะเพื่อเป็นไปเพื่อความตั้งอยู่อ่าวิเศษภ า, าคียะธรรมะเป็นไปเพื่อเจริญมากขึ้นและนิเทพทภาคียะธรรมะที่เป็นไปเพื่อการชำระ ก, กิเลสนะแล้วท่านก็บอกว่าอีทางทุกขาริยสัจจ์นี้ทุกขาริยสัจณ์นี้ทุกขสัมมุทยัยอริยสัจณ์นี้ทุกขานิโรธอริยสัจณ์นี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนะชั้นต้นเลยธรรมะหข้อนะ เป็นห้าแล้วใช่ไหมสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกแป้นหน้าตาอีกสามข้อเป็นเท่ากับแดนะธรรมะที่เสื่อมตั้งอยู่เจริญและเพื่อถ่ายทอนเนี่ยนะอีกสี่เป็นส2บสองบวกกริยสัตว์สี่เป็นส6บหธรรมะสิบหอย่างนี้เรียกว่าสุตมยะยานนะแล้วถ้าท่านยังขยายต่อไปอีกว่าเออธรรมะที่ควรรู้ยิ่งเป็นยังไงอะไรควรรู้ยิ่งบ้างท่านบอกว่า จกักขูควรรู้ยิ่งสีที่เห็นเนี่ยควรรู้ยิ่งจักขูวิญญาณควรรู้ยิ่งนะจักสมอย่างประชุมการเรียกภาษาภาษาอันนี้ควรรู้ยิ่งภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาทั้งที่เป็นสุขก็มีเป็นทุกข์ก็มีเป็นอทุกขมสุขหรืออุเบกขาก็มีธรรมะเหล่านี้ก็ควรรู้ยิ่งแนะก็ไล่ไปในทุกถวาวรเสร็จแล้วท่านยังแสดงว่ารูปควรรู้ยิ่งรูปประขันอะไรเป็นรูปประขัน เวทนาขันควรรู้ยิง่งสัญญาขันสังขารขันวิญญาณนะขันควรรู้ยิง่งเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจควรรู้ยิง่งสีเสียงกลิ่นรสโภชภัคควรรู้ยิง่งจักขูวิญญาณนะก็คือทวาร6อารมณ์6วิญญาณ6กนะผัสสะหเวทนา6สัญญา6เจตนา6แล้วก็ตัณหา6วิตกวิจารณหกนะธรรมะทั้งหอย่างนั้นควรรู้ยิง่งและท่านยังบอกต่อไปอีกนะว่าธาตุ6ควรรู้ยิ่ง และวยังแบ่งเป็นอเยตนา12บสาสิบแอาการ32เป็นต้นเรามาไล่ว่าออชีวิตขณะนี้เราเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไรบ้างสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดควรรู้ยิ่งอันนี้ข้อต้นเลยข้อสองธรรมะเหล่านี้ควรกําหนดรู้กาหนดรู้ด้วยอะไรปริญญาสามมันจะเป็นได้อย่างไงต่อไปแล้วก็ตรึกพวกนี้มากๆมากๆมากๆอันนี้เป็นองค์ของพหูสูตรอย่างหนึ่งว่าพหูสูตรมีการพิจารณาหรือมีการแพ่งเป็นเป็นกำลัง อันถ้าผู้ที่จะเป็นพหูสูตรได้จริงๆก็คือเมื่อได้ปฏิบัติตามนั้นปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจริงๆนั่นแหละเรียกว่าเป็นพหูสูตรแต่สิ่งเหล่านี้ถามว่าเราฝันไหมไม่ฝันมันก็เห็นเห็นกันอยู่เนี่ยคำสอนกล่าวถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วทําอย่างไรเราจะศึกษาคําสอนเหล่านี้มีอันนี้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาคําสอนเหล่านี้เราก็เป็นคนที่ไม่มีาศาสนาอีกชาตินึงนะเมื่อไหร่เราจะได้มีสัมมาทิฏฐินะจะได้ไม่เป็นคนป่าท่าทีนึง่งนะ บอกว่าถ้าจิตใจเป็นไปกับโลภะเนี่ยเป็นป่าอย่างหนึ่งดูความพิสูจน์ทั้งหลายท่านจงตัดป่าแต่อย่าตัดต้นไม้ป่าคือโลภะป่าคือโทสะป่าคือโมหะถ้าไม่เป็นไปตามนี้เนี่ยมันก็มีอยู่ทางเดียวเหมือนในกีตากิริสูตรว่าโมฆะบุรุษนั้นห่างไกลาจากธรรมวินยัยนี้เพียงไรเพราะว่าในชั้นต้นนั้นสาวกทั้งหลายเนี่ยเกิดในที่สุดแห่งการฟังเมื่อเราไม่มีการฟังการทรงจําไปแล้วเนี่ย ความรู้สึกนึกคิดจิตใจของเราก็ห่างเพราะฉะนั้นในชั้นสัตทินรีเนี่ยนะการศึกษาพระธรรมชั้นต้นเลยสัตทินรีแต่สัตทินรียเหล่านั้นต้องเพื่อวิริยรีนะการศึกษาแรกๆหล่อเลี้ยงศรัทธาก็จริงแต่ศรัทธาันนั้นต้องเป็นศรัทธาที่เป็นไปเพื่อละบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วนะหรือเพื่อสังวรไม่ให้บาปอากุศลเกิดขึ้นเพื่อที่จะทํากุศลให้มีขึ้นเพื่อที่จะพอกพูนกุศลเหล่านั้นให้มากยิ่งขึ้น หันศรัทธาเนี่ยท่านจึงวางเป็นข้อต้นจากวิริยะหันศรัทธาของเราต้องเป็นไปตามแนววิริยะแล้วความเพียรของเรานั้นถูกต้องไหมสเติเป็นเครื่องตรวจสอบสเติเป็นเครื่องตรวจสอบกับคําสอนที่ศึกษามานั้นอะ่ะมีความสัมพันธ์สมบูรณ์พอกพูนไหมเสร็จแล้วถ้าข้อมูลสิ่งที่เราปฏิบัติถ้าถูกต้องต้องสงบต้องเป็นแนวสมาธิต้องสงบความสงบเหล่านั้นเนี่ยนะต้องเป็นไปเพื่อปัญญาเพื่อรู้อริยสัจ ไม่ใช่สงบใเฉยๆสงบแล้วสา ม, มารถที่จะแทงตลอดอริยสัจได้อย่างไรนะไปจากตายเลยไปจากไหนเนี่ยโอ้ฟังแล้วก็ซาบซึ้งเพลินเลยนะเออถ้าหากว่าท่านได้ทรงจํอาอะไรสักนิดนึงนะท่านจะเพลิดเพลินกว่านี้นะเพราะว่าบางหัวข้อซึ่งท่านได้บรรยายยาวเนี่ยนะนะอยู่ในสัมมาสัมพุทโธซึ่งอยู่ในหัวข้อถ้าเราจํานะ อยู่ในพุทธคุณะสัมมาสัมพุทธโธเมื่อกี้เนี่ยท่านว่าไว้เลยนัตั้งแต่วัตถุหกวิญญ 6, สสาณหกภาษาหมาไลา่มาถึง่ยะเยอะแยะเลยยาวนั่นน่ะท่านได้หัวข้อถ้าเราท่องตรงนั้นได้นะเราจะเพลิดเพลินกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องการทรงจำมีมีความสำคัญมากทีเดียวเนะจะทำให้ปฏิปต่อได้เร็วขึ้นแต่ถ้าว่าเราไม่ทรงจำอะไรไว้เลยนะ มาท่านเก่งนะได้ยังเดีย ว, ยวองค์มาท่านเก่งนะท่าน <laughs> ท่านพูนได้คล่องได้เยอะแล้วก็ผ่านไปเอาจริงๆนะครับถ้าทรงจำไม่ได้บ้างนี่จะไม่เลวทีเดียว<ช>ดีมากเลยเดี๋ยวทําพุทธานุสติดได้ครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ช่วยกันเติบเติบกันนะช่วยกันตัดสรุปด้วยพระ อ, องค์เองเนี่ยพระ อ, องค์ตัดสรุปอะไรบ้างเนี่ยเมื่อกี้ท่านอาจารย์บรรยายมายาวเหยียดเลยน่ะ ตั้งแต่อริยสัจสีขันมาไล่ามาเลื่อยเลยในฉะกษักสูตรนันทั้งนั้ น, นทั้งนั้นเลยทั้งหมดเลยนะอยู่ในหัวข้อของสัมมาสัมพุโทโธนะครับถ้าหากว่าเราศึกษาพระธรรมคําสอนถูกต้องเข้าใจนในสิ่งเดียวเนี่ยสง่งเคราะพระไตรปิฎกลงไปได้เลยได้เกือบทั้งสามปิฎกเลยตามแต่ว่าใครทรงจำได้เท่าไหร่ก็สง่งเคราะห์ได้เท่านั้นในสิ่งเดียวเลยหยิบอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งก็ได้นะในสิ่งนั้นไม่มีอะไรที่คําสอนไม่ได้กล่าวถึงเลยไม่มีเลยในโลกนี้ เอาเหอเอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาก็ยังมีเลยนั่นแหละนะเอาดวงจั ก, กรวาลอื่นก็ได้เอาผีสางเทวดาอะไรต้นไม้ก้อนท่อนท่อนอิดมาท่อนเดียวยังมีคําสอนไว้เลยเรื่องถนนหนทางเรื่องดินฟ้าอากาศเนี่ยสอนหมดนะขนาดฟ้าแลบ ฟ, ฟ้าผ่ายังมีเลยมีหมดอะนะท่อนไม้พวกพวกศพศพนี่ก็แสดงเยอะนะหรือว่าท่อนฟืนเผาศพก็ยังมีกล่าวเลยแมลงวันบินถึงยังมีเลยพวกหนูพวกงูพวกแมลงพวกปลวกปลวก <c oughs> ยังมีเลยอ่ะเพราะฉะนั้นคําสอนเนี่ยมีไว้หมดแล้ว ทำอย่างไรที่จะศึกษาให้ให้เข้าใจาก่อนแต่ทีนี้การศึกษาที่จะไม่ยากจนเกินไปนะักก็คือตั้งอัตตะสัมมาปณิทิว่าศึกษาด้วยศรัทธาจะขอปฏิบัติตามคำสอนเหล่านั้นตามกำลังแห่งสติและปัญญาแต่ว่าในช่วงต้นๆเลยก็คืออย่าเพิ่งดูถูกวิชาที่เราศึกษาก่อนนะเพราะว่าถ้าผู้ที่ไม่มีศรัทธาในวิชานั้นๆแล้วนัยยะตรงกันข้ามถึงกับดูถูกวิชาด้วยคงจเจริญยาก เขาบอกว่าจิตที่ไม่สมควรที่จะลง อ, อย่างลงสู่สมมตินิยามคือการถูกต้อง <f az ital ism> กุศลธรรมโดยชอบนะคืออริยมรรคนั้นก็คือ1ดูถูกผู้แสดง2ดูถูกตนเองนะดูถูกเรื่องที่ฟังเป็นต้นพวกนี้ไม่สามารถที่จะยังลงสู่กุศลได้นะเนะีนะ่ยขาวขาวก็คือ1ดูถูกผู้แสดงสองดูถูกตนเองแล้วก็ดูถูกเนื้อหาเป็นต้นก็ไม่สา ม, มารถที่จะยังลงสู่กุศลเหล่านั้นได้ นะมาย้อนหาเรื่องเก่าไปไกลเจัน อ, จอ่ะนะเรื่องชําระจะตุปริสุทธิสินทั้ง4อย่างนั้นมีความสำคัญมากนะที่บอกว่าอินทรีสังวรด้วยอำนาจแห่งความไม่เกิดขึ้นแห่งอุปกเลสทั้งหลายมีอภิชาเป็นต้นในอารมณ์ที่มากระทบในทวารทั้ง6นะ คือทำยังไงเห็นแล้วโลภะจะได้ไม่เกิดนะจะได้ไม่มีอภิชาและโทมานัตเกิดขึ้นชําระอาชีวปาริสุธิด้วยการท่านท่านบอกว่าด้วยการคบพระพุทธเจ้าและอนุพุทธสาวกและบุรุษผู้เป็นบัณฑิตที่ผู้รู้สารเสรินแล้วด้วยอำนาจแห่งการงดเว้นอเนสนา<ะ>ทีนี้ต่อไปว่า การชำระปัจจะยปฏิเสวนาด้วยการด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาตามที่กล่าวแล้วนะพิจารณาปัจใจสี่เนี่ยนะถ้าพิจารณาได้ละเอียดละออเนี่ยนะจับผาพับนุ่งห่มใช้สอยพิจารณาเลยนะจับภ้าปั๊บพิจารณาเลยว่าใช้สอยผ้าเหล่านี้ทําไมนะเวลาถอดปั๊บก็พิจารณาธาตุปฏิกูลหน่อยก็ได้เออทีแรกก็สะอาดกว่า น, นี้ตั้งเยอะแต่มาห่มพักเดียวถอดออกไปอา้าวไม่ได้สะอาดเท่าก่าวแล้วปฏิกูลแล้วอย่างเงี้ก็ได้ นะเรียกว่ า, าธาตุปฏิกูลงั้นถ้าเราพิจารณาลักษณะนี้บ่อยๆก็จะชำระและก็ชำระสัมปชัญญะด้วยอํานาจแห่งการพิจารณาสิ่งที่มีประโยชน์เป็นต้นนะตรงนี้ศัพท์นี้ไม่นา่าแปลออกน่าจะใส่ว่าโดยเป็นสาธกะสัมปชัญญะเป็นต้นไอ้คําว่าสิ่งที่มีประโยชน์นั้นบาลีว่าสาธกะสัมปชัญญะนั่นเองนะถ้าใส่ส า, สาธกะสัมปชัญญะนี่เราจะเนึกออกในสัมปชัญญะข้อต่อๆไปอีกนะแต่บอกมีประโยชน์มีประโยชน์ยังไง ก็เลยไปแปลเออประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งไปอีกแต่ว่าบาลีหมายเป็นเป็นคําว่าสาทกะสัมปชัญญะนั่นเองโดยสาทกะสัมปชัญญะเป็นต้นทีนี้เอชํมระสัมปชัญญะเหล่านี้เนี่ยนะด้วยอํานาจแห่งสาทกะสัมปชัญญะเป็นต้นในการเปลี่ยนอิริยาบถ ท, ทั้ง4เวลาจากเดินไปยืนจากยืนไปนั่งจากนั่งไปนอนเนี่ยนะจากนอนมาเดินมายืนเป็นต้นเนี่ย พิจารณาว่าสาธารประโยชน์ของสิ่งเหล่านั้นนั้นคืออะไรกันแน่นะเขาเรียกว่าให้คิดซะก่อนค่อยทํามีพุทธะโพ์บอกว่านิสสัมมะการนางเสยโยสมัยที่สอบนักธรรม ท, ทีแรกๆได้คาถานี้มาวานิสสัมมะการนางเสยโยว่าใครครวนเสก่อนจึงค่อยทําบ้างกันใครครวญเสก่อนจึงค่อยทําดีกว่าหัวเงินถ้าหากว่าใครครวญในทีนี้ก็คือประเภทสาธกะสัมปชัญญะเป็นต้นนั่นเองในการผัดเปลี่ยนอิริยาบถ ใหม่ๆเนี่ยนะดูเหมือนกับเอ๊ชีวิตมันจะเก้อเก้อก้าวไปมันจะช้าไปหรือเปล่าเนี่ยแต่ถ้าทําจนชํานาญนะไม่ยากเลยก็เหมือนกับเห็นใครแล้วสมัยก่อนถ้าเป็นคนต่างประเทศเห็นแล้วยกมือไหว้เนี่ยนะยมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะอึดอัดแต่ว่าเอ๊นานๆเข้าเนี่ยยกมือไหว้เป็นกันเลยหรือเหมือนกับทหารเป็นต้นเห็นเจ้านายทําความเคารพที่ไหนก็ทําความเคารพได้หมดเขาฝึกอ่ะใช่ไหมเขาฝึกได้เขาก็ทําได้สิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกันพอฝึกความคิดจนชํานาญตั้บสบายเลย อย่างหนังสือเนี่ยไม่ต้องสะกดแล้วใช่ไหมมองเห็นปั๊บเนี่ยกว่าสายตาผ่านก็อ่านออกแล้วคำสอนเหล่านี้ถ้าเราพิจารณาบ่อยๆนะเดี๋ยวจะเกิดความชํานาญเกิดความคล่องแคล่วเมื่อเกิดความคล่องแคล่วแล้วก็สบายแล้วคืออาจจะต้องเห็นโทษก่อนว่าถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเราถ้าผู้นั้นเห็นโทษก็จะทําให้มีการพิจารณาได้มากขึ้นบ่อยขึ้นเห็นโทษด้วยและก็เห็นประโยชน์ด้วยเห็นโทษเห็นโทษยังไง เห็นโทษในลักษณะว่าผู้ที่ไม่มีศาสนาเนี่ยนะเขาเป็นอย่างนี้แหละทีนี้เราก็มองชีวิตของคนที่ไม่มีศาสนาไม่มีคําสอนเนี่ยอย่ามองกันแค่ชาติเดียวสินะให้มองชีวิตหลายๆชาตินะชาติหน้าถ้าชาติหน้ายังมองไม่เห็นอีกชาติต่อ ต, อตอไปชาติที่สามที่สี่หรือมองเป็นกลับนู่นแหละแล้วคนที่ไม่ฝึกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยพบต่อไปชีวิตในชาติต่อๆไปเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างไรจะสะสมอะไรแทน ลงกันข้ามกับสิ่งนี้จะสะสมแบบไหนถ้าโลภะโลภะถ้ากําลังถึงที่สุดนี่ขนาดไหนโลภะถ้ารุนแรงที่สุดนะบริวารของโลภะคือทิฏฐิกับมานะซึ่งจะเกิดร่วมด้วยถ้าทิฏฐิเกิดร่วมด้วยนะี่มันจะดิ่งไปถึงไหนถ้ามานะเกิดขึ้นร่วมเนะี่ยจะดิ่งไปถึงขนาดใดถ้าไม่พิจารณาแล้วปล่อยให้โทสะเกิดมากๆโทสะเนี่ยนะทำให้ทํากรรมอะไรได้บ้างฆ่าพ่อก็ได้ฆ่าแม่ก็ได้ เนื่องจากไม่มีกุศลศีลกุศลธรรมเหล่านี้นั่นเองหมาถ้าโมหะมากๆสังสารวัตรนี้คงไม่มีที่สิ้นสุดแน่นอนเราก็เห็นโทษของบาปอากุศลเหล่านั้นและต่อไปเห็นอันนี้สองของอริยทรัพย์คือศรัทธาเป็นต้นวันนี้เป็นทรัพย์นะการใคร่ครวญการตรึกการพิจารณาเหล่านี้เป็นทรัพย์บ่อยๆนะหมเห็นคนเห็นเงินบาทสองบาทยังเก็บเลยใช่ไุงโอ้โหก้มเก็บเอาเลยอ่ะถ้าเห็นนี้เป็นอริยทรัพย์ถ้าเป็นทรัพย์เหล่านี้ สามารถที่จะทําให้นะเกิดเลือกเกิดได้เอ า, างั้นเถอะเลือกเกิดได้จะเกิดเป็นอะไรถ้ากูโซลธรรมบริบูรณ์จริงๆเลือกเกิดเป็นมนุษย์มหาสารครับมนุษย์มหาสารก็คือผู้ที่ร่ํารวยมากที่สุดน้อมจิตไปเพื่อการเกิดแบบนี้ได้หรือว่าน้อมจิตไปเพื่อเกิดเป็นกษัตริย์มหาสารปกครองแผ่นดินก็ได้หรือจะน้อมใจไปเพื่อเป็นเทพชั้นจาตุลดาวดึงญามาดุสิตนิมมานารดี หรือปรณิมิตตวสวัสดีก็ได้หรือนะพิจารณาอันนี้บ่อยๆเพื่อเป็นบาตรนะให้เป็นพื้นฐานของการเจริญฌานต่อไปฌานนั้นถ้าเราเจริญฌานได้ขนาดไหนเลือกที่จะเกิดในพรมชั้นไหนก็ได้นะถ้าหากว่าเอาอันนี้เป็นบาตในการเจริญวิปัสสนาเจริญกุศลธรรมมากๆขึ้นก็เลือกที่จะนิพพานได้นะถ้ามีคุณธรรมเพียรพร้อมนั้นเราต้องมองเห็นว่าอะไรคือโทษและ มิใช่โทษอะไรคือประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์มองให้ออกจริงๆแล้วเราจะต้องเจริญนะก็เหมือนกับคนทําไมต้องทำมาหากินถามว่าชอบไหมทํางานอะ่ะก็ไม่ชอบทําไมเราจึงทําอ่ะเพราะว่ามันเห็นประโยชน์ใช่ไหมชีวิตเหล่านี้การศึกษาเหล่านี้ก็เหมือนกันทําไมเราต้องฝึกขนาดนี้ด้วยทําไมจะต้องมาทําให้ตัวเองเหน็ดเหนื่อยขนาดนี้แต่ถ้าเราเห็นประโยชน์จริงๆแล้วเราจะรู้ว่าโอ้ไอที่ไม่ทำเนี่ยมันเสียหายขนาดไหนเราปล่อยการปล่อยวันปล่อยคืนให้ล่วงไปมากมายขนาดไหน ทันภิกษุนี้พระผู้มีพระภาคได้ทรงสอนในอภินหปัจเวกคณะธรรมสูตรด้วยว่ามันประชิดควนพิจารณาเนืองๆว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้กำลังทำอะไรอยู่คิดอะไรพูดอะไรทำอะไรเป็นไปตามคำสอนไหมเหล่านั้นตัวเราเองติเตียนตัวเองได้โดยศีลหรือไม่ท่านผู้รู้หรือว่าเพื่อนสัพพมจารีที่เป็นวินยูชนเนี่ยไ ค, ครวญแล้วติเตียนตัวเราโดยศีลหรือไม่ เรามีกรรมเป็นของของตนนะเออเราคิดอย่างนี้เป็นกรรมชนิดไหนเนี่ยนะมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผาพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเนี่ยนะเราทํากรรมอะไรไว้บุญหรือบาปดีหรือชั่วเราจะเป็นทายาทผู้รับผลของกรรมนั้นสืบไปแล้วเราจะรับอะไรเนี่ยเมื่อเราคิดแบบนี้เรารู้สึกแบบนี้เนี่ยบุญอย่างนี้เป็นบารมีพอที่จะให้สําเร็จเป็นพระโสดาบันได้ไหมเป็นพระสกทาคาเป็นอนาคาเป็นผ้าอรหันได้ไหม เราก็สอบสวนเทียบเคียงอันการทําแบบคนศึกษากับไม่ได้ศึกษานั้นมีความแตกต่างกันมากอั้นอริยะสาวกกับปุตุชนเนี่ยห่างกันจริงๆเพราะงั้นมหาสมุทรฝั่งนี้กับฝั่งโน้นบอกว่าห่างกันนะที่ดวงอาทิตย์ขึ้นกับที่ดวงอาทิตย์ตกเนี่ยห่างกันก็บอกว่าธรรมะของคนพานกับบัณฑิตเนี่ยห่างกันยิ่งกว่านั้นอีกอั้นของเราทําอย่างไรใจของเราจะได้เป็นไปกับคําสอนมากขึ้น ถ้าไม่เป็นไปกับคำสอนเนี่ยต้องไม่ลืมนะมาหาสังเวกบวัตุมีอะไรบ้างยังมาหาสังเวกบวัตุมีแปดนะหนึ่งชาติชาราพยาทิมรารนณะสี่แล้วนะอบายอีกสี่นะอบายทุขติวินิบาตนารกก็คือนรกเออพ้นหรืยอยังนั่นนรกเนี่ยใช่ไหมของอมาไล่ๆล่ดูแล้วอยังเ <laughs> มื่อเช้าเนี่ยสนทนากับพระที่อยู่ด้วยกันว่าเออเราเนี่ย ปานาติบาทไว้เยอะเท่าไหร่ป่ะเนี่ยลองไล่ไล่ดูนะเพื่มจะลืมอา้าวทาไมอะ่ะกลัวลืมทําไมอา้าวถ้ามันลืมแนละ้วมันจะประมาทไงเดี๋ยวไม่เจริญกุศลเดี๋ยวก็นึกว่าตัวเองเนี่ยนั่งพนนะเดี๋ยวก็นั่งเฉมเลยนะสบาแล้วนึกว่าได้ดีไปแล้วที่ไหนได้นี่ค้ากุ้งฝอยเนี่ยมองเห็นถังเคงเป็นถังแน่นอนเลยใช่ไหมแล้วกบนี่กี่ ก, กิโลวะเนี่ยนึกโอ้โหหลายเหมือนกันนะแล้วปลาย ก, กี่ตัวนึกโอ้นึกถึงยมพ่อด้วยโอ้ นี่เพราะโทษของการหาอาหารเป็นมูลแท้ๆเราถึงกับย่อมต้องทำบาปทำกรรมเนี่ยทุกเพราะการแสวงหาอาหารเป็นมูลในขณะที่หาอาหารเรายังทำบาปทำกรรมอีกในภารบันทีสูตรพระ อ, องค์ตรัสว่าคนพานเมื่อติดใจในรสอาหารเนี่ยนะถึงกับก่อ ก, กรรมทำชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ต้องไปสู่อาบายทุคติวินิบัตนรกแล้วท่านพระ อ, องค์ยังอุปมาเปรียบเทียบอีกว่า คนที่เสียการพนันเนี่ยนะต้องเสียบุตรเสียทรัพย์เสียอะไรเป็นต้นเนี่ยคนที่สูญเสียเหล่านั้นเนี่ยเล็กน้อยแต่คนพานที่ก่อกรรมทําชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนี่ยมีผลมากกว่านั้นเอศีลเนี่ยเราก็ผิดมาตั้งหลายข้อใช่ไหมอธินนาทานเนี่ยลักของแม่เนี่ยประจํำเลยสมัยเด็กๆนี่ไงเอเหตุก็ทําไว้แล้วนะมูสาเนี่ก็หลอกเพื่อนเล่นๆนั่งเล่ น, ล น, ล น, ลนหลายครั้งเนี่นะสุราเอ๊ะเรก็เคยดื่มเหมือนกันถ้าอยู่สุรินไม่กินสุราเรียกเทวดาสุรินเขาบอกงั้น เราก็เอ๊ก็เคยกิน เ, เขาบอกว่าการดื่มสุราเนี่ยมีความเป็นบ้าเป็นที่สุด เ, เหตุเหล่านี้ก็ทำไว้สมบูรณ์หมดถามว่าเจตนามีผลหรือไม่ถ้าเาบอกว่าเจตนาไม่มีผลคำสอนพระพุทธเจ้าผิดพลาดแต่ไม่ผิดแน่นอนนะเพียงแต่ว่าเราจะแม จ, จะอนุวัตไม่ให้กรรมให้ผลเลยเชหรือเมื่อเหตุทำไว้แล้วเนี่ยแสดงว่าถ้าปาระกาละบิติ คติวิบัติอุปธิวิบัติประโยควิบัติกรรมเหล่านี้ให้ผลอย่างแน่นอนนะถ้าปัจจัยแห่งการให้ผลคือกาละคติอุปธิประโยควิบัติอกุศลเหล่านี้ให้ผลแน่นอนอั้นถ้าเราไม่สามารถที่จะเจริญกุศลให้มาก ม, ากมากยิ่งขึ้นไปกว่า น, นั้นอีกไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ผลจะไม่ได้รับความทุกข์นะขนาดพระโพธิสัตว์ท่านสั่งสมบารมีมาม า, มากมายมหาศาลท่านอย่างใช่ไหมนึกถึงพระเตมีใบอ่ะ พระโพธิสัตว์แท้ๆยังตกนรกนะเป็นพระราชาอยู่ยี่สิบปีตกนรกแปดหมื่นปีเอง <c oughs> ใช่ไหมบวกลบคูณหารราคาทุนยับเยินมากมายมาส์ตแล้วท่านยังท่านทํากรรมอ่ะนะถ้าเหมือนกับที่เราได้ฟังเรื่องกรรมครั้งที่แล้วพระผู้มีพระภาคขนาดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะกรรมที่ห้ามไม่ให้วัวเนี่ยดื่มน้ําแขนน้ามันขุ่นอ่ะนะก็เลยห้าม <c oughs> เอ้ยอย่าเพิ่งดื่มเลยนะ <c oughs> ก็ปัดสมัยที่เคยเป็นเด็กเลี้ยงโคเนี่ย ไม่ให้วัวดื่มเขาบอกทเพราะเหตุอันนั้นทำให้พระองค์เนี่ยกระหายน้ำกระหายน้าในขณะที่จะปรินิพานอ่ะกระหายน้ำมากต้องสั่งให้พระอนุนไปตักน้ำถึงสามครั้งอ่ะกระหายจริงๆนั่นแหละแล้วกรรมที่ไปดีใจกับพวกหาปลาทำให้ปวดพระเศียนมากตอนที่ที่พญาธิเนี่ยนะเขาฆ่ากานันในพระองค์ปวดเศียนมากทั้งทั้งที่เป็นพระพุทธเจ้าไม่มีโทสะแล้ว แต่โรคส่วนหนึ่งที่ที่เกิดจากกรรมอันนั้นเนี่ยทำให้พระองค์ปวดเสียดแล้วกรรมอีกหลายข้อทําให้เท้าเนี่ยนะขาของพระองค์เนี่ยถูกโลหิตท่อที่พระเทวทัตกลิ้งอะ่ะนะแล้วกรรมอีกที่ที่เขามามาหาเรื่องเนี่ยพระพุทธเจ้าถูกด่าทีเจดวันใรว่าด่าทั้งเมืองด้วยนะเรียกว่าพวกรับจ้างด่าด่าพระพุทธเจ้าเนี่ยด่าจริงๆเลพระองค์ก็ถูกด่าอยู่เจ็ดวัน เพราะพระ อ, องค์เนี่ยเคยไปด่าผู้มีศีลมีธรรมเอาไว้ในชาติ่างก่อนชาติเป็นพระพุทธเจ้าแล้วกรรมเหล่านั้นยังไม่ลืมเลยใ่ของเราก็จะได้สังเวกขวัตถุว่าเออเหตุทำไว้แล้วนะทุกที่มีในวัตตะเป็นมูลนี้เรานี้ยังไม่ได้พ้นอบายสีแต่ละนี้เรานี้ไม่พ้นเมื่อไม่พ้นเนี่ยนะกุศลใดๆพอที่จะช่วยให้เราพร้นมีไหมนึกเลยนะชีวิตของเราทั้งหมดเลยเนี่ยพอมีบุญอะไรได้บ้าง วันนี้นั่งรถไปกับยมยมก็ถามว่าเออถ้าใกล้จะจุติเนี่ยมันจะเป็นยังไงค่าแบบนี้นะถ้าใกล้จะตายแล้วเนี่ยศึกษาธรรมะว้ชาติาน่าจะได้อีกไหมเนี่ยเขาก็ถามลักษณะนี้เออใกล้จะตายแล้วถ้าจิตมันคิดไม่ดีนะมันจะไปเกิดยังไงอะไรยังไงแล้วเราก็เอาความรู้เรื่องการเรื่องคําสอนเนี่ยมาตรึกเข้ามาในชีวิตเราจะมองเห็นชีวิตเลยว่าชีวิตของเรานั้นไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นเลยนอกจากคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เราจะชั้นต้นเลยนะทํำยังไงเราจะสามารถทรงจําไว้ได้แล้วความทรงจำอันนั้นแล้วก็ทรงจําแบบเอามาใช้ด้วยไม่ได้เราศึกษาปริยัตในแง่อื่นเพราะการศึกษาปริยัตคําสอนมีอยู่กี่อย่างนะการศึกษาคําสอนผู้เจ้ามีอยู่สามอย่างด้วยกันอย่างที่หนึ่งเรียกว่าอลคัทโวปริยัตหรืออลคัทโวประมาปริยัตการศึกษาปริยัตแบบการจัดอสสารพิี่หางนะ บอกอสรพิษถ้าจับที่หางเนี่ยมันตะปบเนี่ยนะเียวกแก้วมันจะถูกแล้วตาย เ, เมื่อเช้ากันสนทนานนเนี้ยงูก็เคยฆ่านัา่นถึงงูก็เคยฆงูถึงนั่น เ, เหตุทาอะไรละตอนนั้นว่าถ้าคนที่จับอสรพิษที่หางเนี่ ย, ยมันก็จะแววงกัดได้ผู้ที่ศึกษาปริยัติธรรมแล้วตั้งจิตไว้ผิดตั้งจิตเพื่ออะไรเพื่อคนจะได้ไม่ดูถูกดูแคลน เราเราก็มีความรู้เหมือนกันนั่นแหละว่างั้นเถอะใครมาว่าเราจะว่าไม่ได้หรือศึกษาเพื่อลาบสการะเพื่อปัจใจศีเพื่อชื่อเสียงเป็นต้นการศึกษาแบบนั้นเรียกว่าการจับอสสรพิธที่หางานะอัตตะถาปปปัญจสูทนีท่านแนะนําว่าถ้าจะศึกษาแบบนั้นให้ไปนอนถ้ายังดีกว่าว่างั้นจะได้ไม่บาปว่างั้นกินบุญเก่าไปขณะที่หลับใช่ไหม แล้วก็ศึกษาอย่างที่สองก็คือศึกษาแบบนิสรณะปริยัตศึกษาเพื่อความพ้นทุกข์นะศึกษาเพื่อการสลัดออกอันนิสรณะปริยัตินั้นปุถุชนทุกคนเนี่ยจะบอกว่าศึกษาเพื่อรักษาศาสนาไม่ได้เพราะตัวเองยังไม่ได้พ้นจากกองทุกข์ก็มีอยู่ทางเดียวคือศึกษาเพื่อเพื่ออะไรเพื่อสลัดออกอย่างเดียวถ้าพระอรหันต์เรียกว่าพันดาคาริกศึกษาแบบคนรักษารักษาไว้เพราะท่านทํากิจเสร็จแล้ว อันผู้ที่จะทำกิจทำหน้าที่รักษาคำสอนนั้นมีอยู่อย่างเดียวคือพระอรหันต์ส่วนบุคคลที่เหลือศึกษาเพื่อสลัดออกอย่างเดียวอันเราต้องศึกษาเพื่อกุศลจิตการฟังการเรียนรู้เป็นต้นเนี่ยเพื่อกุศลจิตอันการถามเป็นต้นนี้ก็เพื่อเพื่อกุศลจิตกุศลจิตเพื่ออะไรเพื่อสังวรสํารวมระวังต่อไปอันในจูลสงครามคำภีปริวานท่านกล่าวว่า เสวินัยเพื่อประโยชน์แก่การสังวรสังวรเพื่อประโยชน์แก่อวิปปติสารจนถึงวิ ช, ชาและวิมุตตินี่ย น, นะอันนั้นก็จะเป็นลำดับเป็นอุปนิสัยซึ่งกันและการไปเรื่อยๆอันเราต้องตั้งจิตให้ถูกแล้วอีกนัยหนึ่งถ้าหากว่าชาตินี้เราไม่ได้ตรัสรู้จะว่างไงคือเมื่อชาตินี้บารมีหรือบุญกุศลที่เราสะสมไว้ยังไม่ถึงฝั่งให้พอที่จะรู้อริยสัจเป็นพระโสดาบันได้ การศึกษาของเราทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เราทั้งหลายอยู่ในสัมมาทิฏฐินะให้อย่างน้อยๆที่สุดมีกรรมมสกตาสัมมาทิฏฐิเกิดยุคหน้าเนี่ยนะถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์เปอร์เซ็น์ที่จะได้นับถือพระพุทธศาสนามีเปอร์เซนเดียวเพราะทั้งโลกนี้นะประเทศที่นับถือศาสนา ม, มีอยู่ไม่กี่แห่งในโลกนิดเดียวจริงๆแล้วในนิดเดียวนั้นเนี่ยนะศึกษาคําสอนเพื่อคําสอนเนี่ยมีนิดเดียวอีกมันจะลดลดกรองลงมานะ เหมือนกับบทภูเขาทั้งลูกเอาทองคำอะ่ะร่อนรอนไปร่อ น, อนมาจะมาหาบมาประดับสักชิ้นหนึ่งทํากําไรมือยังไม่ได้เลยอันนั้นคนในยุคต่อ ต, อตอไปก็เหมือนกันจิตใจเขาห่างเหินจากคําสอนเพราะเขาคบคนพาลซะส่วนใหญ่ทีนี้เราทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ในสังสารวัตรต่อไปเป็นไปได้ไหมที่จิตใจของเราจะเป็นไปกับมิจฉาทิฐิถ้าใจเราหมกมุ่นกับกามมากๆ ก็เป็นเหตุให้เป็นมิจฉาทิฐิถ้าจิตใจเราหมกมุ่นกับพยาบาทมากก็จะเป็นเหตุให้เกิดมิจฉาทิฐิได้นะหรืออคูส่วนวิตกเกิดมากๆก็เป็นเหตุให้เกิดมิจฉาทิฐิถ้ามิจฉาทิฐิเกิดนะเป็นคนที่เฝ้าสังสารวัฏเลยไม่ต้องห่วงละเฝ้าขันเฝ้าธาตุเฝ้าอายตนะเป็นคนที่เฝ้าวัตตะเพราะมิจฉาทิฐิเนี่ยเป็นต้นตอแห่งวัตตะ นะถ้าเพราะมิจฉาทิฏฐินั่นแหละทําให้พระพุทธเจ้าเนี่ยอุบัติขึ้นมาในโลกปังมากมายแล้วก็บอกว่าพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เนี่ยนะก็ไม่ทราบจํามาที่ไหนไม่ทราบบอกว่ามากกว่าทรายในมหาสมุทรอีกอนะที่พระองค์ตรัสรู้นะหรือดูในอปทานประวัติของพระนางยโสธราพิมพาว่าท่านเกี่ยวข้องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมาหลายแสนองค์ด้วยกันอ่านะ ท่าน ก, ก็เล่าว่าเออพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยนะครั้งหนึ่งเนี่ยยืนอยู่ที่ถ้าทิพย์ที่อยอดเขาตรงเจดีหลวงพ่อก็นั่งคิดเออพระพุทธเจ้าเนี่ยอุบัติขึ้นมาทั้งมากมายมหาศาลเนี่ยให้เราไปอยู่ที่ไหนมานะพระองค์หนึ่งท่านแนะนําท่านก็บอกว่าก็เหมือนกับทุกวันนี้น่ะแหลครับว่าทุกวันนี้ท่านคิดอะไรอยู่เออใช่ไหมก็ัช่ทุกวันนี้เรายังคิดไม่ค่อยจะเป็นไปกับกุศลเลยพระสมณัโคโดมพระผู้มีพระภาคก็จะผ่านไปไปเจอพระองค์หน้าอกีกเอ๊ะ ถ้าเจออีกถ้าไปปล่อยวันคืนให้เป็นไปลักษณะนี้ก็จะเหมือนเดิมอีกนั่นแหละอันต้นต่อแห่งสังสารวัตรเราก็เป็นไปเรื่อยๆมีตันอวิชาเป็นเครื่องกลางกาั้นมีตันหาเป็นเครื่องฉาบทาเราก็เพลินไปกับรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นนั่นแหละอันชีวิตก็จะเป็นไปในลักษณะนี้อั้นผู้ที่ศึกษาคําสอนคําสอนในลักษณะที่เรากำลังศึกษานั้นเป็นคําสอนเพื่อการสลักออกนะวิปัสสนาทั้งหมดเลยที่ที่เราฟังกันเนี่ย เรื่องสติปทานเรื่องอะไรนั้นเป็นคำสอนเพื่อการสลัดออกนั้นคำสอนที่คนจะศึกษาในเรื่องการสลัดออกจะเข้าใจจริงๆนั้นต้องมองชีวิตในสังสารวัฏออกถ้ามองชีวิตในสังสารวัฏไม่ออกคำสอนเพื่อการสลัดออกจะไม่เห็นประโยชน์นะเมื่อไม่เห็นประโยชน์เป็นต้นเนี่ยนะจะตุ ป, ปริสูธรที่ศีลเราจะไม่เห็นคุณค่าเลยได้รักษาทาไมทาไปทาไมบางทีมันก็ขัดกับจิตที่ที่อกุศลหรือเราความเคยชินเน่นะ พอศาสตร์ทั้งหลายส่วนใหญ่นี่เป็นไปกับความเคยชินไอ้ควาว่าเคยชินนั้นก็คือประตูปะนิสยาปจจัยที่เราสะสมบ่อยๆแต่สิ่งที่เราชินชาเนี่ยนะมันไม่ค่อยจะดีทีนะเอาหลักกรรมมาวิเคราะห์แล้วไปเพื่อทุกโทษทั้งนั้นเลยนะถ้าหากว่าเป็นไปเพื่อทุกโทษนะฮอลมานี่จะชอบนึกถึงลักษณะว่าเออเรานี่มันเป็นศัตรูกับตัวเองมาแต่ชาติปางไหนเนี่ยหาแต่เรื่องบาปให้ตัวเองเลยนะหาแต่คิดแต่เรื่องอกุศล ก็รู้ว่ามันไม่ดีใครรับอะ่ะเอา้าก็เราอีกนั่นแหละนะถ้าถามว่าโทสะเกิดเนี่ยโทสะเป็นเหตุให้ผิวพันซ้ำ ใ, ใครรับก็เราอีกนั่นแหละโทสะเป็นเหตุให้ก็บอกว่าคนเมื่อกโกรธขึ้นแล้วฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำปา น, นาติบาตไอะกรรมเหล่านั้นก็มีผลใครเป็นคนรับก็คนทําอีกนั่นแหละไอ้เรานี่เป็นศัตรูผู้อาฆาตจองล้างจองผลาญตัวเองมาแต่ปางไหนเนาะ เอาไม้ได้ไหมนั่นแหละอัตตะสำมาเป็นนิธิก็ตั้งขึ้นใช่ไหมที่ไม่มีศรัทธาก็จะสมาทานให้มีศรัทธาที่จะไม่มีศีลก็สมาทานให้มีศีลขึ้นเพราะศีลไม่ได้มีไม่ได้เกิดกับใครตั้งแต่อ้อนแต่ออกเว้นไว้แต่พระโพธิสัตว์เท่านั้นเองถ้าจะมีศีลที่เป็นปกติของท่านนะเฉพาะชาติสุดท้ายแต่ถ้าธรรมดานั้นศีลจะต้องอาศัยการสมาทานนะอาศัยการสมาทานแล้วการสมาทานนี้ไม่ใช่ครั้งเดียว ต้องบ่อยๆอันคนที่ไม่ได้รับการฝึกเนี่ยนะถ้าจะต้องมาฝึกเนี่ยไม่ใช่ครั้งเดียวแน่นอนตัวหนังสือเนี่ยนะไม่ใช่เขียนครั้งเดียวขนาดเขียนต่างหลายครั้งแลายมือก็ยังกรงองกระแหงยังกระยุ่งบินได้เงี้ยก็ยังไม่ได้เรื่องเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะฉะนั้นการศึกษาพวกนี้ก็ต้องไม่เลิกรานะอย่าลืมนะว่าธรรมะสองอย่างที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าคือไม่สันโดษในกุศลสอง ไม่ทิ้งความเพียรว่างันไม่เลิกราว่างันกัดไม่ปล่อยนะใครมีคำถามบ้างนะั้ยข่าวเรื่องจำต้องกล่าวไปยายเมื่อไปเจริญไปพอกพูนปฏิบัติให้มากว่างันะก็มีผลเหมือนกันะอันที่จริงข้อแรกนะครับจับงูพิษทางทางทางหางนี่นะครับเออถ้าเราเกี่ยวข้องกับของของสูงอะเช่นพัะไต่ปิดกเนี่ยถ้าหากว่าเราไป ขัดแยง้งพระไตรปิฎกได้ว่าอย่างนี้เนี่ยนะแต่เราไปไม่ขัดแย้งอะไรมากๆอย่างนี้นี่นะครับหรือผูดได้กล่าวนําพระสูตรมาอ่านเราฟังเนี่ยแล้วเราเร า, เราไม่เห็นด้วยเลยเราไม่เชื่อเลยเนะี่ยขัดแย้งนี่นะมันก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีมั้งครับท่านเจริญพรใชนะ่มีในขัดแห่งหนึ่งนะจําที่มาไม่ได้ว่าผู้ที่ขัดแย้งกับคําสอนของพระอรหันเนี่ยมีโทษมากมายมหาศาลเลย นะผู้ที่ขัดแยง้งมีความเห็นขัดแย้งกับพาทรหันต์เอางี้ดีกว่าพราทรหันต์บอกว่าพ่อแม่มีบุญคุณเราบอกไม่ใช่ถามว่ามีโทษไหมนะเพราะว่าไอ้ไม่เชื่ออย่างเดียวคนเนี่ยมันไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่ไม่เชื่ออยู่ในใจอย่างเดียวนะต่อไปก็จะเริ่มพูดดูหมิน่นดูแคลนผู้มีพระคุณเป็นต้นแล้วแล้วก็จะต่อไปเรื่อยๆนะบาปมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วคําสอนของพราอรหันต์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีไหมคําสอนที่ว่า เป็นไปเพื่อทุกโทษนะไม่มีแต่คำสอนบางอย่างนี้ในขณะที่ที่ปฏิบัติตามก็มีทุกบ้างแต่ขณะที่ปฏิบัติเป็นทุกเหล่านั้นพระองค์ให้อุปมาเหมือนกับพี่เลี้ยงนะพี่เลี้ยงเนี่ยเมื่อเด็กเผลอไปเด็กก็จะเอาเศษแก้วเศษกระเบื้องเนี่ยกินเข้าไปในปากพี่เลี้ยงนี่เห็นว่าถ้าเด็กนี่กลืนเข้าไปนี่เสียหายแนย่ก็เลย เอามาว่าคายทิ้งน่หนูถ้าเด็กไม่คายทําไงอ่ะเอามือซ้ายจับมือขวาเนี่ยล้วงเข้าไปในปากใช่ไหมดึงบางทีเลือดอาบแก้มเลือดอาบปากมาเลยนะแต่ก็เพื่อประโยชน์คายเพื่อประโยชน์ของเด็กนั่นแหละถามว่าพี่เลี้ยงใจร้ายจังเลยเนาะโอ้โหเลือดอาบปากเลยอะ่ะทำไมถึงทํากับเด็กขนาดนั้นถามว่าตําหนิได้ไหมก็เด็กเนี่ยทําผิดพลาดงนั้นคําสอนของพระผู้มีพระภาคก็ลักษณะเดียวกัน ตราบเมื่อใดที่ยังไม่ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมพระองค์ก็จะคอยบอกคอยเตือนคอยห้ามคอยปรามคอยชี้โทษชี้โทษแล้วชี้โทษอีกว่างนั้นดูก่อนอ น, อนุนเราจะไม่ทำกับเธอทั้งหลายเหมือนกับช่างหม้อที่ทํากับดินดิบๆว่างงนั้นหม้อดินที่ดิบๆนะจะค่อยๆใช่ไหมถ้าจับมากเดี๋ยวมันบุบอะ่ะต้องค่อยๆประคองเราจะไม่ทากับเธอทั้งหลายแบบนั้น แต่จะข่มแล้วข่มอีกผู้ใดมีแก่นสารผู้นั้นจะตั้งอยู่ในคยดว่าผู้ใดมีธรรมะมีสาระเป็นแก่นสารผู้นั้นจักอยู่ได้ถ้าไม่มีสาระก็ต้องหลุดไปเพราะคําสอนนั้นเป็นของคนมีบุญนะบอกจริงๆมีหลายแห่งกล่าวไว้เลยว่าคําสอนนั้นเนี่ยคำสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นอุปมาเหมือนกับน้ํามันราชสีน้ํามันราชสีนั้นภาชนะทั่วไปนะอย่างเช่นแก่พวกภาชนะไม้เป็นต้นเนี่ยมาเก็บไม่อยู่ ละเอียดมากจะซึมออกหมดชั้นใดงั้นภาชนะที่จะเก็บน้ามันราชสีนั้นต้องเป็นภาชนะทองคําชั้นใดดังั้นจิตใจของผู้ที่ไม่ได้สะสมบุญมาก่อนพอสมควรแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะรองรับกุศลเหล่านั้นได้แต่แต่ถ้าของเก่าวเราไม่ค่อยมีทาําไงก็อธิษฐานดิเออเนี่ยนะเราสะสมมาโนยจึงเป็นอย่างนี้สู้ไปเถอะค่อยๆยศึกษาไปไม่ศึกษาชาตินี้แล้วเมื่อไหร่อีกนะเมื่อไหร่จะเป็นบุรุษรู้เดียงสามีสติมีปัญญา ตอนนี้แขนก็ไม่กูดค้าก็ไม่ขาดตาก็ไม่บอดอายุก็พอไปไหนมาไหนได้พอจะศึกษาได้ทำไมเราจะปล่อยวันปล่อยคืนให้ล่วงไปชีวิตของเราเนี่ยเราก็อะไรมั่งที่ไม่เคยเห็นมีไหมมีไหมนะเวนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปก็เห็นตั้งเยอะแยะแล้วใช่ไหมโห่ก็ได้ฟังมามากม า, มายมหาศาลแล้วทั้งคำดีทั้งคำชั่วคำหยาบคำคาย กลิ่นสรารพาพกลิ่นที่เราจะได้รับมารถก็ลิ้มมาเกือบทุกชนิดแล้วโทธทพะเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่ตั้งแต่หัวโจรท้าวเนี่ยก็ได้รับมาตลอดนะใจเราก็คิดเรื่องทั่วไปเรื่องภายนอกก็คิดมาเกือบทุกเรื่องแล้วแล้วเราจะหาอะไรอีกนะเราก็ถามว่าเรามาจากไหนรู้ไหมมาจากไหนชาติที่แล้วมาจากไหนรู้บ่าไม่รู้รจะไปไหนไม่รู้อีกไม่รู้อี ก, ร, อกรู้ไหม รู้ไหมว่าจะต้องตาย่นนะรู้รู้ไหมว่าตายเมื่อไหรไม่รู้เองนั่นแหละมันควรหรือที่จะประมาทนะพระองค์ยังบอกเลยว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยผู้ที่ถ้ายังประมาทนะจะไปสู่อบายทุกขติวินิบาทเหมือนกับสัตว์หรือเหมือนกับนกนะน้อยตัวนักที่จะหลุดจากคายของนายพรานนะถ้าถูกบ่วงแล้วเนี่ยน้อยตัวนักที่จะหลุดได้ ซาททั้งหลายที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยน้อยคนนักที่จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ในจำนวน น, น้อยๆเนี่ยนะครับบีบไปเรียกว่าร่อนภูเขาทั้งลูกนะให้เหลือเอาทองคําเนี่ยนะขอให้เราหนึ่งมีในเม็ดนั้นขอให้เรามีอยู่ด้วยคนหนึ่งเนาะใช่ไหมหรือขอเป็นหินก้อนโตดีเอานะทองคำหนึ่งจะก้อนเล็กหน่อยก็ไม่เป็นไรนการศึกษาศึกษาเพื่อใครตั้งใจให้ถูกนะตั้งอัตตาสัมมาปณิทิให้ดีว่าศึกษา เพื่อสั ม, มาทิฏฐิว่าชาตินี้เราก็จะได้ทําบาปก็ทําบาปน้อยๆหน่อยอย่างนั้นเถอะบาปก็อย่าบาปมากๆนะกรรมที่ทําแล้วก็ยังไงก็พูดอยู่แล้วทํายังไงไอ้ที่พูดคําพูดที่มันบาปมากๆให้มันลดน้อยหน่อยเสร็จแล้วก็ค่อยๆสะสมต่อไปอีกว่าเออชาติหน้าต่อไปเนี่ยเพื่อนชวนไปทําชั่วก็จะได้ไม่ไปทําเพราะอุปนิสัยที่สะสมในคําสอนไว้แล้ว เพราะเชื่อเธอว่าผู้ที่ไม่ได้ตรัสรู้ในชาตินี้หรือไม่ได้ไปตรัสรู้ในเทวโลกสังสารวัตรยาวแน่เมื่อสังสารวัตรยาวนั้นเราก็จะไปคบเพื่อนคบมีพ่อมีแม่มีครูมีอาจารย์มีเพื่อนร่วมงานเขาก็จะสามารถชักชวนเราไปได้หมดเลยจิตของเราเนี่ยนะท่านบางแห่งเอคล้ายๆกันน้ํานั่นแหละเจอภาชนะอย่างไรก็จะเป็นไปอย่างนั้นเจอเพื่อนอย่างไรเจอคนมักโกรธเราก็จะโกรธ ด, ด้วยเจอคนที่เห็นแก่ตัวเราก็จะเห็นแก่ตัวได้ นะสุดแท้แต่ว่าสิ่งแวดล้อมเพราะสิ่งแวดล้อมเป็นทั้งหมดของชีวิตของเราเลยเนะี่ยถ้าเป็นคําสอนบอกว่าเพื่อนหรือกาลยานามิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นั่นแหละสุดแท้แต่ว่าเราจะไปคบใครเพราะงงคนสามสิบแปดนี้ขึ้นต้นด้วยอเสวนาจะพาลานังปันตานันจะเสวนาไม่คบคนพาลการครบบัณฑิตบูชาบุคคลที่ควรบูชา เพราะฉะนั้นของดีของสูงของต่ำเราต้องแยกแยะได้ที่จะเลือกนับถือนะเมื่อเลือกนับถือได้และเสร็จแล้วสิ่งที่เรานับถือถ้าสิ่งนั้นดีจริงๆถ้าอย่างเช่นเรานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยที่ท่านที่ที่พระสงฆ์ของพระพุทธเจ้านะถ้าท่านดีจริงๆเนี่ยท่านจะช่วยเหลือเราให้พ้นจากกองทุกข์ได้จริงๆริงเวลาหมดแล้วนะครับถ้าให้ท่านเทศท่านเทศได้ทั้งคืนนะผมเชื่อเลย ก่อนที่จะจบนะผมก็ขอจบด้วยสูตรนี้นะครับนี่จากเทลีคถานะดูก่อนติสาพติสาที่เป็นพระเถรีนะเธอจงประกอบด้วยธรรมทั้งหลาย ข, ขณะอยาได้ก้าวล่วงเธอไปเสียเพราะผู้ที่มีขณะก้าวล่วงแล้วย่อมยัดเยียดกันอยู่ในนรกโศกเศร้าอยู่อติคฐาอธิบายขณะทั้งหมดก็คือขณะเกิดในปฏิรูปประเทศ เชียงใหม่ได้แล้วปัตตานีได้แล้วขณะที่มีอายุชนะหกไม่บกพร่องอตาก็ไม่บอดหูก็ไม่หกกันนะได้แล้วณะเกิดขึ้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไหมือนนั้นนะผู้ศาสนาก็ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ไตรปดฎกคําสอนก็ยังบริบูรณ์อยู่สี่ก็คือขณะได้ศรัทธาอือออืแจมบุคคลเหล่าใดก้าวล่วงเลยขณะคณะก็ก้าวล่วงเลยบุคคลนั้นะไม่รู้ล้วอ่ก็ วันนี้ก็คงมีเท่านี้เท่านี้นะครับแล้วก็อขอประชาธมปันหน่อยบอกบุญหน่อย